แต่อาจจะยังไม่เก่งถึงกับเข้าไปหาหรือว่าเข้าไปพูดด้วยอาจจะยังไม่เก่งถึงขั้นนั้นแล้วคุณก็ทําต่อไปอีกคุณก็ฝึกต่อไปอีกฝึกไปจนรู้สึกชักจะมากพอแล้วคราวนี้มากพอจนกระทั่งคราวนี้กล้าเข้าไปหากล้าเข้าไปพูดด้วยเพราะว่ามันมีกําลังภายในแล้วไงฝึกจนเริ่มมีกําลังภายในเพราะฉั้นพอไปเจอเงี้ยเกิดบอกแล้วพอทักทายเขาเข้าไปปั๊บเขาสะบัดหน้าหนีเงี้่ยคุณมีกําลังพอที่จะ อ ย, อ, ยอย่าอย่าพึ่งไปเกลียดเขาอย่าพึ่งไปชังเขาเพิ่มมันมีกำลังที่จะปราบปราบอารมณ์จิตของเราที่จะคิดแง่ลบกับเขาเนี่ยได้พออ่านี้นเ น, นี่ยฝากให้ฟังในแในง่คิดระดับหนึ่งส่วนวิธีการเขานี้โอ้คุณไปหาเถอะเยอะแยะมากมายวิธีการที่จะทำให้จิตเราเนี่ยอย่าไปยึด อย่าไปถือสาอย่าไปคิดในทางไม่ดีกับใครต่อใครจริงๆอ่ะใครต่อใครทั้งนั้นแหละเราไม่ควรไปยึดไปถือสาอะไรนั้นอย่าว่าแต่คนเลยนะมาเคยยกตัวอย่างเนี่ยแม้แต่บางทีข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ายังมีเลยอะ่ะแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองอ่ะนะคุณไปสะสมจิตโดยคุณไม่รู้ตัวอย่างเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆก็เน้เสื้อผ้าบางชุดอย่างเงี้ยคุณไม่ค่อยชอบ เนี่นนนนยเนอยู่ในสายเดียวกันกันกบสายโกรธสายเกลียดชังสายอะไรพวกนี้นะเสื้อผ้าชุดนี้คุณไม่ชอบบางทีของคุณเองอนะไม่ใช่ของใครอนะคุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยใส่มันหรอกก็ปล่อยมันทิ้งไปอย่างนั้นนก็ใส่อยู่แต่ไอตัวที่ชอบไอตัวนั่นตัวนี้อะไรต่างๆยิ่งตัวไหนคุณรู้สึกโอ้ทั้งเฉยทั้งผ้าก็ไม่ถูกใจสีก็ไม่ถูกตาโอ๊ยไม่อยากใส่เลย ให้ใครได้รีบให้ให้เลยอย่างที่บอกอะรีบเอาออกรีบเอาทิ้งได้ก็อยากจะรีบทิ้งซึ่งถ้าทําอย่างนั้นอนรมาบอกแล้วคุณไม่ได้ปรับคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณไม่ได้แก้สภาวะจิตอะไรของตัวเองแต่ถ้าคุณรู้คราวนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติทำนรมาจะบอกเนี่ยไม่ต้องฝึกกับคนก็ได้คุณฝึกกับสิ่งของนี่แหละเสื้อผ้าชุดนี้คุณรู้แหละเออแหมแขวนมาจนอะไรอ่ะ สีจะไอ้นั้นหมดละอะไรอ่ะสิ์ลงไปหมดละเพราะว่าไม่ค่อยยอมใส่มันเลยเพราะขาวนี้เรารู้แล้วว่าโอ้โหตัวนี้เราไม่ค่อยชอบใช่หมหัดหัดเอามาใส่ไอตอนที่คุณใส่เนี่ยรับรองความรู้สึกไม่ชอบก็จะเกิดขึ้นแต่ในขณะที่ความรู้สึกไม่ชอบเกิดขึ้นอาจจะมาบอกแล้วขาวนี้ก็พิจารณาสิใช่ไหมเออจะปราบจิตอย่างนี้ลงไปได้ยังไงก็เสื้อเราแท้ๆคุณยังใส่ไม่ได้อีกเลยเ บางทีตัวเองอะซื้อมาเองอะไม่ใช่อะไรอะไม่ใช่ใครให้มาด้วยนะเราไปซื้อมาเองเนี่ยแต่พอซื้อมาแล้วเราไม่ถูกใจไงไอตอนแรกอาจจะนึกถูกใจนะแต่พอซื้อมาแล้วไม่เกิดไม่มาถูกใจมีเวลายอย่างเงี้ยในในชีวิตจริงๆริะมีแน่นอนแล น, น, นี่นี่เพียงยกตัวอย่างเรื่องเสื้อผ้าแม้แต่ของอื่นๆ่ะบางทีไอที่เรามีอยู่เนี่ยก็จะมีของที่เราไม่ถูกใจไม่ชอบแล้วคุณดูค่ะคุณวางทิ้งอย่างนั้น่ะ คุณจะไม่ยอมใช้เลยบางทีใครมาเนี่ยรีบให้ให้เขาเลยรีบอยกแจกเขาจะได้พ้นหูพ้นตาไปไๆแล้วแล้วจะไงแล้วจะได้หาใหม่มาไอที่ถูกใจเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะมันจะสั่งสมแต่อย่างเงี้ยเพิ่มให้กับจิตตัวเองถ้าใครสั่งสมอยู่แต่อย่างนี้คนนั้นไม่ได้ฝึกจิตจะรักอะไรก็จะยิ่งผูกพันจะเกลียดอะไรก็ยิ่งผัก ก็จะกลายเป็นคนอย่างเนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อลักอะไรแล้วยิ่งผูกพันยิ่งอยากได้พอไม่ได้คนนี้ทุกข์หนักยิ่งเกลียดอะไรเนี่ยไม่อยากเจอแต่พอเจอก็ยิ่งทุกข์หนักนี่คือคนที่ไม่มีไม่มีการฝึกฝนแต่ถ้าเริ่มเป็นคนที่ฝึกฝนแล้วคราวนี้ฉลาดแล้วจะรู้จะเข้าใจว่าเนี่ย อย่างไหนที่เราไม่ชอบใจอย่างไหนที่เราผลักอย่างไหนที่เราเกลียดชังเรายิ่งจะฝึกพยายามเข้าหาพยายามฝึกเข้าหาพอผัดสาปปั๊บพยายามแก้จิตปรับจิตคุณจะใช้สมถะหรือคุณจะใช้วิปัสสนาก็แล้วแต่มันจะคิดขึ้นมาเลยพยายามหาแง่หามุมในการคิดที่จะทำให้สิ่งที่เราผลักสิ่งที่เราเกลียดนะเบาลงลดลงอย่างที่บอกอะสิ่งที่เราผลักนี่เราพยายามคิดแง่บวก ในสิ่งนั้นให้ได้อย่างเสื้อผ้าเอา้าเอา้ามันการลอนกันหนาวเออจริงๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะใส่เชยเชยซะบ้างจะได้ไม่ต้องมีใครมาอะไรอะ่ะมาเห็นเราสวยงามอะไรนักเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยได้ได้ยาวนานอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดอีกคิดในแง่บวกมันก็ทําให้เราเออแทนที่จะไม่ชอบไอ้เสื้อผ้าตัวนี้ก็เอเ อ, เอจริงๆมันมีมุมดีนะคราวนี้คุณก็ใส่ได้ชักชกชักวางใจขึ้นละ ชักสบายใจขึ้นส่วนคว น, นี้ถ้าสิ่งไหนที่เราชอบจะเป็นเสื้อผ้าก็ตามก็จะใส่ใส่ใส่อยู่แค่ใส่พันธุ์ไรกแ็แหมภูมิใจหันซ้ายหันขวาสวยไหมสวยไหม <c oughs> นะ่ให้คนแบบนิยมชมชื่นให้คนแบบว่าอะไรอะ่ะรู้สึกแหมอะไรอะ่ะยินดีพอใจไปกับเราอะ่ะอย่างเงี้ยเราก็รู้ถ้าใครเนี่ยมีแต่จิตอยู่จต่อย่างนี้อย่างนี้ี้คุณไม่ได้ฝึกอะไรเลย เพราะนั้นคราวนี้ถ้าเราจะฝึกถึงบอกว่าสำหรับเสื้อผ้าที่เราชอบนี่นะคุณหัดใส่ให้น้อยลงหัดใส่ให้น้อยลงหรือหัดงดบงังเว้นบ้างไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ให้เข้าไปสิ <c oughs> อันนี้หนักหน่อยยิ่งชอบเนี่ยลรหัดให้เข้าไปเลยโอ้โหอย่าบอกใครเลยล่ะวันจไว้เลยถ้าการบริจาคหรือการทาบุญทาทานอะไรก็ตามนะ จะเป็นวัตถุข้าวของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณให้สิ่งที่คุณรักไปนั่นแหละคุณให้ไปยิ่งคุณเสียสละต้าให้ที่คุณรักที่สุดชอบที่สุดไปเนี่ย น, นะนั่นแหละเป็นการฝึกเสียสละจริงๆแล้วมีผลบุญกับคนนั้นมากที่สุดส่วนให้ของที่คุณไม่ชอบเนี่ยคุณสละทาบุญทาทานไปคุณคุณไม่ได้บุญในด้านของจิตใจสักเท่าไหร่หรอกห ร, อหรือเรียกอีกอย่างคือในด้านของอภัยทาน เนี่ยเราเรียกว่าทางด้านจิตวิญญาณบุญนี้คุณไม่ค่อยได้นะคุณได้แต่ตัววัตถุเท่านั้นเองอย่างเช่นเราให้เสื้อผ้าที่เราไม่ชอบเนี่ยให้คนอื่นเข้าไปใส่ใส่ๆส่สนี่นะคุณได้บุญแค่วัตถุทานซะส่วนใหญ่แต่ด้านจิตใจคุณแทบไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะอยากจะรีบๆให้ไปอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวจะได้ซื้อใหม่เข้ามาเพราะั้นเรื่องของความโลภหรือว่าความ อะไรพวกเนี้ที่อยากได้ใหม่เข้ามาไอ้นี่เราเกลียดรีบรีบเอาทิ้งๆไปอันนี้คุณทําตามกิเลสเนี่ยถูกกับเปล้วันด้านจิตใจคุณได้อะไรล่ะคุณไม่ได้อะไรแต่ด้านวัตถุเราให้เข้าไปจริงเพราะะฉนั้นคนนี้ได้ทางบุญในด้านวัตถุทานแต่อภัยทานยังไม่ได้เนี่ยถ้าถ้าใครศึกษาธรรมะเข้าใจจะจะเออเอเ อ, เอจริงด้วยเพราะคุณดูสิบางคนโอ้โ ให้อะไรต่ออะไรคนก็เก่งนะแต่ทําไมอีกใจไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมบางทียังขี้โกรธบ้างโอ้โหไออะไรอะ่ะเห็นแก่พักแก่พวกแบบแบบเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยบางทีเรายังเห็นโอ้โหนี่มันมั น, มนยังตรงตรงนี่อย่างเงี้ยแต่เออเขาเข า, เ, าเขาเขาเกษรเขาเสษรษาจริงนะแต่อย่างเงี้ยมันทําบุญแต่ด้านวัตถุเนี่ยมันไม่ถึงจิต วันคราวนี้ถ้าเราทำบุญถึงจิตอย่างที่บอกยิ่งคราวนี้โอ้โหเสื้อผ้าตัวที่เราชอบเนี่ยคุณชอบเนี่ยกิเลสของเราก็คือจะหอบหัวงเอาไว้มันไม่อยากจะให้ใครอย่าว่าแต่ให้เลยแค่ใครมาแตะๆรูปๆคำๆหน่อยอยังเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวสกรปรกหมดโอ้ไม่ได้เลยกลัวเดี๋ยวจะเสียหายเพราะฉะนั้นแล้ว คุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหกิเลสไอตัวขอบวงเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะแล้วก็ติดยึดอันนี้นี่มันหนักหน่วงเหลือเกินเพราะนค่าวนี้คุณดูสิถ้าจะให้ใครเขาใจมันไม่ค่อยยอมนะเดี๋ยวเหตุผลโน้นใหม่แล้วเดี๋ยวเหตุผลนี่ใหม่แล้วเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยยึดเอาไว้ยึดเอาไว้เป็นเจ้าข้าเจ้าของเอาไว้มันไม่อยากที่จะสละออกไปได้เลยเพราะนการทำบุญด้วยการที่ให้ของที่เรารักจริงๆเนี่ยสมมติว่า ในเสื้อผ้าทั้งชุดนี่นะคุณเสียสละให้ตัวที่คุณชอบที่สุดคุณรักที่สุดไปนั่นแหละนั่นแหละเป็นการลดกิเลส ข, ของเราที่สุดแล้วเราจะได้บุญทั้งวัตถุทานแล้วก็บุญทั้งอภัยทานเนี่ยในด้านจิตของเราเราจะได้เพิ่มขึ้นแลวได้จริงๆด้วยคราวนี้เพราะว่าอะไรขนาดบางทีให้ไปแล้วเนี่ยไอตอนตอนตอ น, ตอนคิดว่า จะเอาตัวไหนดีเนี่ยนะโหเสร็จแล้วเราคิดเอาตัวที่เราชอบที่สุดให้นะโอตอนนั้นก็สู้หน้าดูแล้วถ้าใครเคยฝึกมาแล้วจะรู้สภาวะเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเลือกไปเลือกมานะเลือกไปเลือกมามันมันชักรถลงแล้วชักรถลงแล้วเอเอไอตัวโน้นดีกว่าอย่าเอาตัวนี้เลยตัวที่เรายังชอบอยู่แม้เผื่อเดี๋ยวต้องใส่ไปน้นต้องไส่ไปนี่ในที่สุดมันไม่มันไม่ยอมหรอกไอตัวที่เราติดจริงๆเนี่ยไม่ยอมนี่แค่แค่ตอนเลือกตอนแรกนะ อ่าสมมุติว่าคุณผ่านด่านไปได้แล้วนะจนเอาละตัวเนี้ยบางทีเนี่ยเอาออกมาเสร็จแหมพับเสร็จอะไรเสร็จอ่ะเดี๋ยวมาเลือกดูจะจาวตัวอื่น อ, อีกไหมเลือกไปเลือกมาเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เสร็จเพอเพเอาตัวนั้นกลับมาโอ้โหมันชักไเยอหน้าดูเลยละ่ะถ้าใครไปฝึกมาแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหมันจริงๆยิ่งยิ่งสิ่งนั้นดูดใจเราแรงมากเนี่ยมันไม่ยอมจริงๆมัน มันทั้งเสียดายมันทั้งอะไรอาวรแม้แต่คราวนี้ให้ไปแล้วเนี่ยบ่อยเลยคขาี่ยิ่งเสื้อผ้านี่นะถ้าคุณให้น้องหรือคุณให้พี่หรือคุณให้เพื่อนไปเนี่ยเห็นชัดที่สุดเลยเพราะาพอให้ไปแล้วยิ่งตัวที่เรารักเราชอบเนี่ยมันจะคอยดูอยู่เรื่อยเลยนะเข้าไปใส่ยังไงเขาไปทํำยังไงบ้าง <c ười> คอยดูถ้าเขาเกิดเกิดแหมสมมุติใส่แล้วแหมไปดึงนั่นดึงนี่หน่อยนะทําให้มันยืดมันท้ายทำมาอะไรแหมเราชัก ชักอ น, นั้นต์งดจิตแล้วชักงดหจิตแล้วบางทียังไม่ยอมเลยนะมันยังนึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของอยู่เลยทั้งทั้งที่ให้เข้าไปแล้วอะให้เข้าไปแล้วเนี่ยแต่ใจเรายังเป็นเจ้าของอยู่เลยอตาตรมาถึงบอกคุณจะเห็นสภาวะจิตจริงๆเลยว่าบางคนเนี่ยให้อะไรใครเข้าไปแล้วจิตยังไม่ได้ให้จริง <c oughs> จิตมันยังเป็นเจ้าของอยู่เลยนะเพราะนัพอเขาไปบางทีเขาไปใส่แบบไม่อะไรนะไม่ทะนุถนอมใส่แบบช น, นิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะ ทำงานมัง่งสกรปรกลกเลอะมัง่งใช่ไหมโอ้โหเราโอ้โหเสียดาย <c oughs> สุดแสนเสียดายเราอย่างงี้ไม่น่าให้มันไปนเลย <c oughs> บางทีเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่จิตมันไม่ขาดนี่นี่ขนาดให้ไปแล้วนะ ท, ทั้ง ท, งที่หลุดจากมือเราไปแล้วอะ่ะจนเข้าไปใส่ถึงไหนถึงไหนแล้วบางคนเนี่ยมีจนอดใจไม่ได้บางที ไม่เห็นไงความที่ไม่เห็นเนะี่ยบางทียังถามเลยเป็นไงอะ่ะที่ให้ไปแล้วไปใช้บ้างหรือเปล่าโอ้เหลือเกิน <yt> เห็นเลยจริงๆ น, นี่นี่แค่สิ่งของยิ่งถ้าเป็นคนคนนี้คุณไปติดพันคุณไปรักคุณไปชอบหรือว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรที่ผูกพันก็แล้วแต่โอ้โหความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยสูงยิ่งกว่าไอ้วัตถุเข้าของนะคุณ คนเนี่ยคนเนี่ยยึดคนเนี่ยสูงยิ่งกว่าวัตถุเข้าของเยอะเลยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าใครไม่ฝึกจิตจริงๆเนี่ยนะคุณคุณคุณล้างไม่หลุดหรอกไอตัวความดูดเนี่ยไอไอตัวรักตัวชอบเนี่ยล้างยากยากยิ่งกว่าตัวโกรธตัวเกลียดเพราะถ้าถ้าใครนี่เข้าใจที่อาจามาพูดไปนี้แล้วนะ ลองไปฝึกดูกับชีวิตจริงๆพอคุณฝึกแล้วเขาเนี้ยคุณเริ่มรู้แล้วคุณจะเห็นทุกข์เขาเนี้ยชักจะเริ่มเห็นทุกข์ละทุกข์จากการที่เราไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเราไปติดยึดไอ้หนอยไอ้นี่แล้วโอ้โหมันทุกข์อย่างนี้นี่เองไม่อย่างงั้นไม่เห็นทุกข์นะจะเห็นแต่ความสุขว่าเออเรายิ่งไปรักใครยิ่งไปชอบใครยิ่งไปได้อะไรมาสมใจเราตามที่เราอยากจะได้โอ้มันเห็นแต่ความสุขมันมองทุกข์ไม่เห็นเลย นี่มันยากตรงนี้อามาถึงบอกว่าคนที่จะมาล้างตงัวนี้มันยากเพราะมันจะเห็นแต่สุขต่อเมื่อเริ่มเข้าใจนั่นแหละเริ่มเข้าใจสัจจะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงถึงรู้ว่าคุณยิ่งไปมีสมบัติยิ่งไปมีข้าวของยิ่งไปมีอะไรเยอะๆเนี่ยที่ที่เป็นของของกูของของกูเนี่ยนะคุณยิ่งมีมากเท่าไหรนะ่นคุณยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะ่ะตามไปทวีคูณพระ คนที่รู้สัจจะเริ่มเข้าใจอย่างนี้ได้ถึงเริ่มลดสิ่งต่างๆเคยมีบ้านหลังโตโตแล้วเป็นสุขใช่ไหมแต่พอเห็นแล้วว่าโหนี่บ้านยิ่งหลังโตมันเป็นทุกข์นี่มันไม่ใช่เป็นสุขคนที่เข้าใจอย่างนี้บ้านเขาจะเล็กลงบ้านเขาจะเริ่มหลังเล็กลงคนที่มีเสื้อผ้าเป็นตู้เคยเห็นว่าเป็นสุขโอ้โหมีเยอะสิจะเลือกใส่อะไรก็ได้เป็นสุขแต่พอเขาเริ่มเห็นสัจจะเริ่มเห็นทุกข์นั่นนะเสื้อผ้าจะน้อยชุดลง เคยมีอาหารการกินคุณเคยกินตอนไหนก็กินก็ได้อิสระเสรีจะกินจุบกินกีดกินอะไรก็ได้เราเห็นว่าเป็นสุขนึกจะกินเมื่อไหร่ก็กินจริงๆแต่ก่อนน่ยคุณเป็นสุขแน่นอนเลยใช่ไหมุณจะคิดเลยนะว่าเอานึกจะกินแล้วต้องรอเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินโอ้อย่างนี้มันเป็นทุกข์อ่ะกจะนึกอย่างงั้น ใช่ไหมเราเราจะรู้สึกว่าอิสระเสรี ส, สิเราทําจะกินตอนไหนก็กินก็ได้ทาอะไรได้ได้ตามใจชอบเราถึงจะเป็นความสุขแต่ถ้าคุณเริ่มเข้าใจสัสจจะรู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ฮะมันทุกข์แค่พอคุณเข้าใจอย่างนี้คุณเริ่มมากําหนดมื้อในการกินคุณจะกินน้อยมื้อลงได้คุณจะไม่ไปจุดจิตทั้งวันละคราวนี้แล้วจะเริ่มเห็นเลยว่าคือพอทําได้จริงแล้วเนี่ย จะเห็นเลยว่าเออน้อยมือลงแล้วมันเป็นสุขจริงๆฮะโอ้โหมันสบายกว่าเก่าก่อนเยอะเลยเก่าก่อนเมื่อทีเห็นมะม่วงผ่านมาเห็นทุเรียนผ่านมาอะไรก็โอ้โหเออมีเงินเนี่มีเงิ น, เ, งนเออซื้อกินซื้อกินคือคิดว่าอย่างนั้นนอะมีความสุขแต่ตรงข้ามเลยคราวนี้โอ้โหอเอาอย่างอย่างพวกเราที่เนี่ยฝึกกินมือเดียวได้แล้วสบายมากเลยเนี่ยต่อให้ อะไรอร่อยมายังไงก็ไม่อยากกินนอกมื้อเลยเพราะรู้สึกโอ๊ยกินแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาแปลงฟันต้องมาอะไรอ่ะทำความสะอาดถ้วยชาอะไรต่ออะไรอีกมันเห็นเป็นทุกข์ไ <c oughs> ม่เห็นเป็นทุกข์แล้วมันไม่เห็นเป็นสุขนะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรากินไปแล้วมื้อเดียวนะนอกเวลาเราไม่ต้องกินเนี่ยเรารู้สึกท้องไส้เรานี่สบายแต่เดี๋ยวนี้นะ ถ้าให้คุณเดี๋ยวก็ไปกินเดี๋ยวก็ไปกินนะมันสุ้โอ้มันแน่นมันรู้สึกมันอึดอัดมันไม่สบายซึ่งอันนี้เนี่ยพูดไปอ่ะคนที่คนที่ยังไม่ได้ทำหรือยังทำไม่ได้อาจจะนึกภาพไม่ออกอาจจะนึกความรู้สึกไม่ออกแต่ที่บอกให้ฟังเนี่ยบอกเพราะว่าทามาได้ยาวนานพอสมควรแล้วนะอัตมาเองก็กินมื้อเดียวมาได้ตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ย คือมัน ม, น ม, นมนัมันสบายแล้วทุกวันเนี้บอกตรงๆเลยนะให้ไปกินนอกมือเนี่ยโอ้ไม่มีความอยากจะให้เกิดขึ้นแม่แต่อะไรนขนาดบางทีป่วยอจะต้องหมอจะต้องให้กินสองสมมื้อยังไม่อยากกินเลยนะบอกตรงๆขนาดเราป่วยนะบางทีจําเป็นจะต้องกินยังไม่อยากจะกินเลยให้ไปกินหลายๆมื้อเนี่ยเพราะเรารู้สึกเราสบายแล้วอะ่ะ แต่มันป่วยบางทีมันก็จําเป็นว่าเอาเขาต้องให้กินแล้วก็อาอนุโลมอัตมาถึงบางทีส่วนใหญ่ถ้าต้องไปกินสองมือหรือว่าอะไรเงี้ยอัตมามักจะอนุโลมเป็นน้ำปานะคือบอกตรงๆนะขอขอใช้สํานวนนะมันเป็นสํานวนว่าขี้เกียจไปเคี้ยวอะ่ะ <c oughs> ขอใช้สํานวนอย่างเงี้ยขี้เกียจจะต้องไปเคี้ยวกินอะไรต่ออะไรอีกเออตอนนี้มันแค่น้ำน้ำแล้วก็เออเอายามาเอาน้ำน้ำแล้วก็ดื่มเข้าไปก็จบ รู้สึกเออมันง่ายดีมันสบายดีไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยอะจริงๆถ้าคุณทําได้จริงๆแล้วสบายมากอัตมาถึงบางทีน่ะแม้พูดไปแล้วมันมันเหมือนกับเอ๊เขาก็มองเรานะไอ้พวกนี้มันกินมือเดียวมันทรมานตัวเองเนี่ยมันมันจะทุกข์ยากมันจะลําบาก่นะแต่ในขนาเดียวกันบาทีเรามองเ้ากินหลายหลมือน่ยโอ้ยทาไมเขาทรมานตัวเองจังเลยนะ มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพียงแต่ตอนนี้เอาละสมมุติว่าต่างคนก็ต่างคิดว่าตัวเองถูกต้องแล้วกันนะแต่เรามาเทียบดูสิตามสภาพความเปจริงเปล่าอ้าวสมมุติว่าเขานึกจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้อิสระเสรีเขาก็ว่ามีความสุขแต่เราบอกว่าเรากินน้อยมือ้อเรากินมื้อเดียวได้เรามีความสุขแล้วลองเอาสองความสุขนี้มาเทียบกันเออลองเอาสองความสุขนี้มาเทียบกันสิ ว่าใครน่าจะสุกกับกันลองเทียบกันดูแล้วเราก็ไม่ทุกจริงจริงใช่ไหมเราก็ไม่ต้องใหิวโหยเราก็ไม่ไไม่ใช่พอกินมือเดียวแล้วโอ้โหใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะแบบประเภทที่ว่าใครเข้ามาแล้วก็อาจจะโมโหหิวเกิดขึ้นหรืออะไรไอ้เธออย่างนี้ยังไม่ใช่นะอย่างนี้แสดงว่ายังปฏิบัติไม่ไม่ไม่ได้เป็นปกติยังไม่ได้เป็นธรรมดาอาจจะฝึกใหม่ ฝึกใหม่ๆเนี่ยมกำลังอะไรอ่ะเพิ่งงดใหม่ๆใช่ไหมอารมณ์เครียดอาจจะเกิดขึ้นหรือโมโหหิวอาจจะเกิดขึ้นได้วันใครเข้าใกล้โปรดระวังต้องต้งขียนป้ายเขียนป้ายเอาไว้ว่าโปรดระวังเหมือนกับอะไรนะบ้านไหนหมาดุะก็ต้องเขียนป้ายเอาไว้แต่จริงๆบางคนเนี่ยตั้งตาบะตั้งอะไรไปเนี่ยโอ้โหต้องคอยไปไ้ายไว้โอ้ใครเข้าใกล้นี่เสี่ยงมากเลย คือบางทีตั้งตะบ่าเกินไปมั่งเกินเนี่ยเกินเกินไออารมณ์จิตเกินที่ตัวเองจะควบคุมไว้ได้นะถ้าเกินไปมันเก็บกดนะบางทีเนี่ยโอ้โหเห็นบางคนแล้วโอ้ยตายแล้วคุณเปลี่ยนตาบ่าเหรอเห็นหน้าตาแล้วก็บอกมันมันจะตายแล้วมังเนี่ยบางทีต้องเปลี่ยนตบาบะก็ต้องรู้ถ้ามันโอ้โหปฏิบัติไปแล้วหาปิติหาสุขเกิดขึ้นไม่ได้เลยนี่ จงรู้ตัวเองเถอะน่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ควรจะเปลี่ยนว่าเอาเบาขึ้นมาอีกนิดนึงแสดงบ่าคันนั้นมันมันมันเก็บกดมันโอ้โหฝืนจนเกินไปแสดงว่ามันมันถ้าถ้าคุณทำไปแล้วเนี่ยนะคุณฝืนก็จริงแต่คุณฝืนแล้วเนี่ยคุณทาได้แล้วได้โดยที่มันมีปิติมันมีสุขในในจิตของเราเลยนะว่าโห้เราทาได้ แล้วได้โดยที่ยังไงอะ่ะมีความรู้มีความเข้าใจว่าได้แบบนี้เนี่ยแมมันช่างดีมันช่า ง, งวิเศษนะไอ้ไอปิติสุขพวกเนี้ยมันจะทําให้จริงๆคุณก็หิวนะสมมุติบางคนเนี่ยยังไม่เคยฝึกมามาฝึกแล้วมันก็หิวเนี่ยแต่ความหิวนั้นมันก็เล่นงานเราอยู่นะแต่คุณมีปิติสุขว่าโอ้โหทำได้อย่างนี้แล้วเรารู้สึกแม่เราเร า, เร า, เราอะไรอะ่ะ เรากําลังเดินตามพระอาหารหันต์พระพุาทธเจ้าสันชัยอย่างนี้เลยนะคนที่มาฝึกกินมือเดียวได้เนี่ยบอกเนี่ยกําลังเดินตามพระอาหารหันต์แล้วนะเพราะพระอาหารหันต์นี่ท่านก็คุยง่ายว่าท่านก็จะฉันมือเดียว อ, ะอ่ะอ่าโดยโด ย, โดยปกติแล้วนะอันนี้ในศีลแปดเนี่ยพระุทธเจ้าท่านตัดเลยนะศีลแปดเนี่ยทุกๆข้อเนี่ยเลยถ้าใครทําได้เนี่ยท่านบอกนี่กําลังทําตามพระอาหารหันต์แล้ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีปิติสุขอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะมาช่วยช่วยจะให้บางทีหิวเนี่ยคุณก็ต้องทนยิงนะแต่มันทนแบบมีความสุขอะคนที่มีความสุขอย่างนี้หล่อเลี้ยงเนี่ยจนในที่สุดเดี๋ยวพอคุณฝึกไปคุณฝึกไปฝึกไปไอความหิวพวกนี้มันจะลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยเพราะคุณเริ่มคุณคุณเริ่มเคยชินขึ้นมาเพราะใหม่ๆที่หิวเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเราเลิกมาไง ไอ้แต่ก่อนเราเคยกินแล้วเราไม่ได้กินอย่างเงี้ยมันก็มาเรียกร้องก็เพราะอ่ะมันมันเรียกร้องเพราะน้ําย่อยมันก็มาตามเวลามันอย่างเงี้แต่มันมาแล้วมันไม่เจอใครอ่ะพราะมันก็เรียบใหญ่เลยมันก็ร้องเรียกใหญ่หรือมันเรียกร้องใหญ่เลยว่าเอาใส่เข้าไปสิเอาใส่เข้าไปสิเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมใส่เนี่ยมันก็โวยวายใหญแต่ตอนนี้พอเราเข้าใจนี้เรามีปิติสุขกว่านี้ปิติปิติสุขอันเนี้ยมันจะช่วยคลายไอ้ไอ้ความหงุดหงิด ความอึดอัดความเก็บกดอะไรพวกเนี้ยลงไปลงไปจนกระทั่งพอมันลดลงไปลดลงไปเป็นสภาพปกติได้ข่าวนี้ความหิวคุณหายไปเลยคุณไม่หิวอีกเลยในยทุกวันนี้อย่างพวกอาตมานเนี่ยที่ฝึกฝึกกันมาหรือคารวสหลายหลายคนที่เขาฝึกได้แล้วไม่หิวเลยคุณไม่หิวหรอกมือเดียว น, ย น, น, ยนี่ยกินจนตุยนุยก็ได้มือเดียวอ ะ, <laughs> อะจริงจริง เมื่อเดียวเนี่ยทุกวันนี้อาตมายังรู้สึกแหมต้องพยายามฉันให้น้อยลงฉัยให้น้อยลงเพราะคืนไม่ฉันให้น้อยลงเนี่ยแหมรู้สึกมันจะบวมมันจะอ้วนขึ้นะนะเนี่ยนี่ทุกวันนี้ยังพยายามอยู่เลยว่าเอ๊ะต้องพยายามนะต้องฉั น, ใ ห, นนะนะให้น้อยลงนะให้น้อยลงนะเพิ่มไม่ได้เพิ่มันก็หยิบเพิ่มันก็หยิบมาตามที่เราเคยเคยฉันขนาดนึ่งอ่ะขนาดอาตมาเนี่ยฉันเน่ยมีบาด มีบาทที่แน่นอนตายตัวอยู่แล้วนะจะตักข้าวจะอะไรมาเนี่ยมันมันค่อนข้างรู้ปริมาณอย่มันอยู่แล้วว่าเราฉันประมาณนี้ประมาณนี้ขนาดนี้นี่รู้ปริมาณนะยิ่งพวกคุณถ้าไม่มีภานะที่แน่นอนเนะ่ยหยิบไอ้นั้นมาใส่หยิบไอน้นนมาใส่พวกคุณยิ่งไม่รู้อย่าเลยว่าปริมาณที่ที่เหมาะกับเราจริงๆขนาดไหนยิ่งยากอย่าเลยแต่ถ้าอย่างอย่างอาตมาเนี่ยยังยังเออพอจะรู้ใช่ไหมเพราะว่ามันมัน อะไรอไรมันตายตัวไปหมดล้จะบาดก็ลูกเท่านี้ใช่ไหมฝาบาดก็แน่นอนใส่ก็ได้แค่นี้ยจะวางแก้วก็ได้แค่นี้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่การฝึกฝนถ้าฝึกฝนแล้วสบายนี่มันก็ใกล้จะเข้าพรรษาละนะก็ฝากบอกมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะลองไปตรวจสอบดูสิคิดว่าพรรษานี้เราหน้าที่จะตั้งตะบะอะไร เขียนมาเลยอาตมานี่รับอยู่แล้วทุกปีนะเขาจะเขียนมาเลยเขียนมาจะตั้งอะไรบ้างกี่ข้อนะเสร็จแล้วส่งมาอาตมาจะมาตรวจให้คือเขาส่งมาให้อาตมาเนี่ยอาตมาจะมาตรวจให้ว่าเออมันเหมาะหรือไม่เหมาะขนาดไหนเอ่ามันมีอย่างนี้ด้วยการตั้งตาบาเนี่ยเราจะต้องบอกแล้วอาตมาบอกแล้วต้องตั้งตาบาที่เราทําได้คุณจําไว้เลยตาบาที่เราทําได้ทําไม่ได้เป็นตั้งอ แต่บอกแล้วไงว่าที่ทําได้นี่มีสมระดับมีแก่มีมีเข้มอ่ะมีกลางแล้วก็มีอ่อนใช่ไหมคุณเลือกดูว่าคุณจะเอาระดับไหนแต่ที่จะเกิดมรรคผลที่สุดคุณต้องเอาตัวสักยะตั้งตบานเนี่ยเราต้องตั้งกับตัวสักยะไปถึงกิเลสตัวใหญ่ของเราแต่ตอนนี้ในกิเลสตัวใหญ่คือมันมีผลที่สุดไงไหนไหนก็จะตั้งเนี่ยมันควรตั้งไอ้ตัวที่มันมีผลใช่ไหมเอาเราตั้งตัว กิเลสตัวใหญ่แต่ในกิเลสตัวใหญ่เนี่ยอคุณยังมีแก่กลางอ่อนได้อีกใช่ไหมสมมติบางคนเนี่ยติดเรื่องขนมติดติดขนมโอ้โหเห็นขนมไม่ได้ชอบกินของหวานชอบกินอะไรพวกนี้เขาก็อาจจะตั้งตาบ่าวว่าเรานี่จะงดขนมแต่คราวนี้บอกแล้วถ้าคุณเอาเข้มเข้มเอาเข้มเข้มกอสมมุติว่าในเจ็ดวันนี้ใช่ไหม งดเด็ดขาดเลยนะนี่คือเข้มๆแบบแบบเรียกว่าสู้กันจะจะไปเลยนะงดไปเลยเจ็ดวันนี้ไม่กินแม้แต่สักวันเดียวเลยแต่อนนี้ถ้าเราเองเราดูแลโอโ้โหคืออย่างนี้เครียดแน่นะคงไปไม่รอดคือ ค, คุณต้องประเมินตัวเองมันอันนี้ไม่มีใครรู้ด้วยใช่ไหมเราเราจะสู้แหะเราตั้งใจจะสู้แหละแต่รู้สึกว่าเข้มเกินไปมันไม่ไหวคุณอาจจะ ลดเพดาน ล, ลงมาหน่อยแต่คุณก็สู้กับเรื่องขนมนี่แหละโดยที่เรียกว่าอา้าวอาจจะสมมุติอาทิตย์หนึ่งมันเจ็ดวันใช่ไหมอา่าอาจจะกินสักสามวันอีกสี่วันเว้นไม่กินหรือพูด ง, ง่ายๆว่ากินวันเว้นวันเอ่าคุณตั้งตาราแบบกินวันเว้นวันวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินนะวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินนะอันนี้มันมันลดลงมาแล้วใช่ไหมมันทอนลงมาแล้วแต่คุณก็สู้กับกิเลสตัวสักยะตัวนี้แหละ แต่ถ้าอ่อนกว่า น, นี้อาทิตย์หนึ่งเจ็วันกินหวันกินหวันไม่กินวันเดียวโอ้ย oh, นี่อ่อนมากเลยนะแต่ว่าเราก็สู้กับไอ้กิเลสตัวสักยะเนี่ยสู้ยากนะขนาดบางทีให้คุณตั้งอ่อนเนี้ยแต่ตั้งอ่อนในกิเลสตัวสักยะนี่ยากกว่าที่คุณไปสู้กิเลสตัวอ่อนเลยที่ไม่ใช่สักยะของคุณอันนั้นนะ่ะโอ้ยง่ายมากคุณตั้งแบบ แข็งแรงแบบเข้มข้นเลยนะแต่กิเลสตัวนั้นมันไม่ใช่ตัวใหญ่สําหรับคุณเนี่ยคุณพูดง่าย ด, ด, านะดีดเท่านั้นดีดกระเด็นเลยง่ายมากแต่ไอ้กิเลสตัวใหญ่นี่โอ้โหคุณดีดไอ้นิ้วชี้ก็แล้วดีดหัวแม่โป่งเท้าก็แล้วยังไม่ยอมหลุดง่ายๆไม่ไม่ยอมหลุดง่ายๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นกิเลสตัวที่เราติดมากหรือว่าอะไรมากเพราะมันยากเพราะฉันอาตมาถึงบอกในกิเลสตัวใหญ่อันเนี้ยคุณก็ไปเลือกเอา แกกลางอ่อนก็เป็นเรื่องอ่แต่ถ้าตั้งตัวสักยะเนี่ยมันจะมีผลสูงเพราะคุณจะตั้งแกกลางอ่อนตรงไหนก็ตามแต่นะโอ้โหรับรองว่าคุณได้ฝืนใจน่าดูเลยล่ะเพราะมันมั น, ม, น, ม, นมันเป็นกินเลสคาว่าตัวสักยะเนี่ยหมายถึงเป็นกินเลสตัวที่มีอิทธิพลกับเรามากที่สุดนะถ้าถ้าใช้ภาษาง่ายๆนะมีผลกับเราสูงที่สุดเพราะนั้นขนาดคุณตั้งอ่อนๆกับมันเนี่ย ไจคุณยังหือต้องสู้มากเลยแต่ถ้าคุณสู้แล้วคุณทำได้อาจจะมาบอกแล้วคุณจะเริ่มมีปิติมีสุขว่าเออจริงๆแล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันจัดการมันได้ถ้าคุณทำได้แล้วคุณมีปิติสุขอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะมีใจหรือว่ามีไฟที่จะทำมากขึ้นมากขึ้นมันจะขยับสมมติตอนแรกคุณตั้งอ่อนๆคราวต่อไปคุณจะกล้าขยับขึ้นมาอีกหน่อย จะก้าขยับขึ้นไปอีกหน่อยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะทําให้เราเนี่ยทําได้ผลมากขึ้นส่วนถ้าคุณทําตัวใหญ่ได้นะโอ้ยตัวจี้เป็จยบางทีมันเลิกไปเลยมันเลิกไปเองเลยเพราะว่าขนาดตัวนี้เราต้องฝืนมากๆเลยยังสู้ได้เลยไอตัวที่บางทีเราไม่ต้องไปฝืนอนะ่ะเพียงแต่เราชอบอะไรอะ่ะโยนๆชอบย่อนยอ น, น, นให้กับมันเองอะ่ะทั้งทั้งที่จริงๆเรารู้ว่าเราทำจริงๆเนี่ยแค่เอาจริงขึ้นมานิดเดียวมันก็ได้แล้ว เพราะนั้นไอตัวพวกนี้เนี่ยพอเราเอาจริงขึ้นมาหน่อยนะก็ทําได้แล้วไอตัวพวกนั้นมันจะไม่ยากอะไรว่าอันเนี้ยลองลองฝากพวกเราลองไปพยายามดึกๆดูดดนะเสร็จแล้วก็เนี่ยถ้าคือจริงๆไม่ต้องกับอาตมาก็ได้นะกับสมนะกับสิกขมาตรูปอื่นก็ได้เราตั้งแล้วเราก็อ๋อไปให้ท่านดูนะแล้วก็อย่างเงี้ยเหมาะไหมอ่าแล้วท่านก็จะถ้าถ้าเป็นอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาจะเซ็นชื่อไว้ให้ ลงวันที่ไว้ให้จะได้รังๆหน่อยหรือพูด ง, ง่ายๆว่าคือพวกเราเนี่ยนะบางทีเนี่ยอใจที่อยากจะสู้นี่มันก็ดีอยู่แล้วแต่มันชอบใจอ่อนเนี่ยแต่ถ้ามีแบบว่ามาตั้งตาบากับสมาณะหรือกับศิกขามาตรนะนแล้วโอ้โหยิยงมีลายลักษณ์อักษรมีลายเซ็นไปด้วยนะรู้สึกถ้าจะไปล้มหรือจะไปอะไรเนี่ยมันรู้สึก ม, มันต้องคิดมากหน่อย เพราะไอ้ใจที่มันจะสู้แล้วก็จะทำให้ได้เนี่ยมันจะมีริดแรงมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราทำได้สำเร็จได้ได้ดีกว่ามมันมีมันมีเหมือนกับพลังช่วยได้อยู่รัวไมทั้งมีตัวอายมั่งมีตัวกลัวมั่งโอ้ทำไม่ได้เดี๋ยวโดนท่านว่าเอาหรืออะไรต่ออะไรมันมันจะกลัวมันก็เลยพยายามที่จะทาให้ได้แล้วความพยายามนี่แหละก็จะทาให้ทาสาเร็จ อ้าววันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะ